กินกะทั่วทัวไปโลกนี้แบ่งเป็นสองค่ายค่ายหนึ่งก็ค่ายนายทุนค่ายหนึ่งก็ค่ายกรรมกรใหญ่ๆอย่างนั้นทีนี้ประเทศที่มีพลเมืองม า, มากๆอย่างประเทศอินเดียนี่ก็มีสี่ค่ายคือเขาจัดชนเป็น สี่ชั้นตั้งแต่สมัยนูนสมัยโบราณมาแล้วกษัตริย์เกินนักปกครองหรือทหารพราหมพวกที่มีความรู้แพทยพวกทา ม, มาค้าขายโสรพวกชั้นต่ำทีนี้เราถ้าเราศึกษาเราก็จะได้เห็นชัดเจน กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรกษัตริย์นักปกครองจะเป็นกษัตริย์โดยจะเป็นประธานาธิบดีโดยจะเป็นอะไรก็ตามนั่นคือนักปกครองพราหมณ์มีการศึกษาพิจารความรู้ต่างๆเช่นอาจารย์ที่สาปามโมกอย่างนี้ นั่นคือการศึกษาทีนี้การศึกษานี่มันก็มีหลายตนแหน่งแบ่งแยกออกไปสมัยก่อนไม่มีมหาวิทยาลัยอย่างแพทย์อย่างแพทย์ยทยก็แพทย์แผนโบราณหรือ ว, ว่าในประเทศอินเดียใครจะเรียนแพทย์ก็ไปเรียนอาจารย์กับอาจารย์ที่สาป่าโมก อาจารย์ที่สาปาโมกก็คือรู้เรื่องยามันก็มีหลายหลายอย่างองีกเรื่องยาทีา่ลูกกองนางอัมพะปาลีไปเรียนเหมออะไรชื่อหมอคนแรกแล้วก็ไปเรียนลูกกษัตริย์ที่ไปเรียนนี่ เกก็มีปัญหาเพราะว่าเป็นลูกเมียน้อยของพระเจ้าพิมพิสารพอโตขึ้นมาพอรู้เดียงสาเล่นกับเพื่อนเพื่อน ก, ก็เล่นกันแบบอใครเป็นพ่อใครเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นพ่อเป็ น, พ, นพ่อจับคู่กันพอจับคู่กันนายคนนี้ไม่มีพ่อเพื่อเพื่อนก็เลยล้อ เราไอ้เด็กไม่มีพ่อเด็กไม่มีพ่อก็ออเลยมีปมด้อยทีหลังก็พระเจ้าปิ่นปิศานหรือในเครือนั่นแหละเครือกษัตริย์นั่นก็ส่งไปเรียนเรียนแพทย์เขาเรียนแพทย์หลายปีแล้วคือไปอนี่ต้องมี เงินมีทองติดตัวแต่ว่าหมอคนนี้อยากจนเพาเป็นลูกเมียน้อยก็เลยไปทำงานช่วยเหลืออาจารย์ช่วยเหลือเมียอาจารย์ช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นกาเทอมแต่นี้พอตอนที่จะจบก็ไปอยู่หลายปีแล้ว เ็ดปีหรือสิบปีแล้วเมื่อไรจะจบสักทีหนึ่งอยากจะกลับบ้านกลับเมืองอาจารย์ทิสาปาโมกก็เลยบอกนี่ในบริเวณกี่ไร่ก็ว่ากันไปในสวนป่าสิไร่นั้นเธอไปหาไม้ที่ไม่เป็นยาไม้อะไรก็ได้ที่ไม่เป็นยานะ ก็เลยต้องเอาทะเบียงไปนอนวันขวัญคืนในป่านั้นเหมือนกับว่าทำวิทยานิพนนะไปหาหาหาหาต้นไม้ี่สูตรมันไปเรื่อยเสร็จแล้วก็กลับมากลับมาถึงก็บอกอาจารย์ที่สาป่ามโมกว่าไม่มีเลยต้นไม้ต้นย่ายต้นยญ้า ที่ไม่เป็นยานะ่ะไม่มีเลยอาจารย์ทิศาปาโมก็ออเธอกลับได้กลับบ้านได้ก็เลยให้ให้สเสบียงอาหารไปนิดนิ ด, นดหน่อยๆนอยเงินทองไม่มีก็เดินเดินอย่างเดียวเดินไปอาหารหมดก็ทำยังไงทีนี้ ก็ต้องเป็นหมอแล้วแสดงอาการความเป็นหมอแล้วก็ได้รักษาคนไปพรางเดินไปพรางอะไรไปพรางได้เงินเยอะทิ้งมีคนหนึ่งเป็นเป็นอะไรมั้ยอันไตรเมอร์หรือเป็นอะไรเสียได้รักษาหายคนนั้นเป็นเศรษฐีใหของจนเอาไปไม่ไหว ทีนี้สุดท้ายเป็นยังไงไปถึงบ้านถึงเมืองก็เป็นหมอประจำพระพุทธเจ้าที่รักษาพระพุทธเจ้านะและตั้งโรงพยาบาลจำรับพระนั่นทีนี้สี่วันนะกสัตว์พรามแพ่ ชั้นต่ําที่สุดก็คือสูตรเขาไม่ก้าวไกลกันไม่ก้าวไายกันในประเทศอินเดียจนเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ก้าวไายกันการจัดพราหมณ์แพทย์สูตรทีนี้พระก็อยู่ในวันหน้าของของพราหมณ์พราเราแตกมาจากนั้นแตกมาจากพราหมณ์นะแต่ว่ามันเป็นวิชาวิชาวิชาไป วิชาของพระพุทธเจ้าก็คือวิชาเรื่องดับทุกข์เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่ร่ํารวยอย่างมหาศารก็ออกป่าเพื่อไปหาสิ่งที่ไม่ตายเนี่ยมันกลัวตายดังนั้นพยายามว่าทํำยังไงอย่าให้ตายทีนี้ไม่อยากตายกันทุกคนไม่อยากตายทังนั้นแก่พระพุทธเจ้าไปหาวิชาที่ ไม่ตายเมื่อไปหาวิชาไม่ตายก็ได้พบวิชาไม่ตายนั่นแหละก็คือเดินทางอริยมรรคไม่องแปดแลวเราปฏิบัติจริงจังก็ไม่ตายเพราะไม่มีตัวเราไม่มีตัวกูไม่มีอะไรเป็นของจริงสักอย่างน่ น, นั่นคือความไม่ตายเรียกว่าอามตะ กิชาที่เป็นอมตะคือไม่ตายใครปฏิบัติแล้วไม่ตายนี้ถ้าเราไปอินเดียเราก็จะเห็นเห็นว่าพวกสูตรก็โยกันอย่างแรนแค้นลำบากจะทำอาหารกินก็เพียงแต่ว่าเอาแป้งข้าวสาลีมาที่ปลูกเองนั่นแหละทำเป็นแป้งคลุกกับน้ำแล้วทำเป็นแผ่น ก็ขยข้าวกับฟืนแต่ก็ปิ้งปิ้งแล้วพอใจได้ก็เอามากินแล้วก็ดื่มน้ำกเไปาไปนันก็อยู่แค่นั้ น, นที่ดีไปกว่านั้นอีกก็มีผักส่วนมากก็จะซื้อผักซื้อผักแล้วเอามามาแกงกับ ไอ้พวกไอ้ผักชียี่ราดพวกนั้นน่ยมันเป็นซองๆครัเป็นเป็นซองเอามาตําต้มทําแกงเนี่ยเขากินกันอยู่อย่างนั้นกินกันอยู่อย่างนั้นทีนี้ถ้าโยามไปอินเดียก็สังเกตดิจะไม่มีผู้หญิงขายผักไม่มีผู้หญิงขายของมีแต่ผู้ชายดังนั้นถ้าตลาดที่แบกแบกดินนี่โปเสือ ถ้าเป็นขายก้าวสารก็เตข้าวสารไปในเสือนั่นแหละไอ้คนเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็เดินกันไปปากปลาอะไรก็ตรงนั้นทางนั้นไม่ได้ยกพื้นขึ้นมาแต่ผู้ชายทางนั้นที่ขายที่นี่ประเพณีของของแขกอินเดียนะแขกซิกือแขกธรรมดาเนาะ ผู้หญิงจะต้องไปขอผู้ชายขอผู้ชายฉะนั้นเวลาใกลเลอดลูกผู้หญิงต้องสะสมเงินไว้ตั้งแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงได้เงินเอาสะาสมไว้สะสมไว้ตรวจสอบไว้เวลาก็ตกมากมากก็ตกมากมากกาเงินมั่นผู้หญิงจะต้องใส่สร้อยคอสร้อยคอมือรอยประดับหมด แต่ว่าทรัพสมบัติไว้ที่ตัวหมดทีนี้พอตกลงปรงใจแต่งกันต่อไปก็ผู้หญิงไม่ต้องทำอะไรผู้ชายมีหน้าที่เลี้ยงนี่นั่นเน่เราอย่าไปไปเลงว่าเออทำไมผู้หญิงไปขอผู้ชายแต่เรานี่ผู้ชายไปขอผู้หญิงมันประเพณีก็นะเรื่องกัน อ น, นุท่าไปขอแล้วแต่งกันแล้วต้องรับผิดชอบผู้ชายต้องรับผิดชอบทุกอย่างนี่ทุกอย่างนี่ประเพณีของคนอินเดียอย่างนั้นกระจัดพราหมณ์แปรจูดแต่งงานกันไม่ได้ข้ามข้ามวรรณะกันไม่ได้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนอินเดียที่อยู่กระต้อบกระต้อบ โรคย่อเยี่อเลยบ้านก็เป็นกระต๊บกระต๊บเอาเอาไม้หรือเรียวไม้ไผ่ไม้อะไรที่หาได้นะเอามาทําเป็นเสาแล้วฝาก็เอามาขัดขัดขัดขัดกันไม้นะเอามาขัดขัดขัดขกันแล้วเอาขี้โครนขี้หัวนั่นอย่างดีแล้วกี้หัวเอามากรุกหรือดินเหนียวเอามากรุกกรุกเสร็จก็ โบกโบกกับมือเลยโบกทำเป็นขวาทีนี้มันอย่างหนึ่งก็ในประเทศอินเดียนี่ถึงดูร้อนมันก็ร้อนร้อนจนตายทีนี้ดินเหนียวมันทำให้เย็นได้อะไรได้เวลาฤดูร้อนนี่ตายกันเป็นร้อยเป็นพันคนอินเดียนะไม่มีที่ไปร้อนนี่ทีนี้เราจะเห็นว่า ในกรุงเทพของเราหรือเมืองใหญ่ๆคนมีเงินอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านที่หมู่บ้านจัดสรร3ามล้านสี่ล้านห้าล้านสิบล้านนี่เขาจัดสรรใเรียกว่าอยู่เป็นหมู่เป็นพวกเป็นหมู่เป็นพวกคนรวยก็อยู่ที่คนรวยแต่ถ้าคนรวยอยู่ใกล้กับคนจนกับพวกสูตรอย่างนี้ เดือดร้อ น, ดนเดือดร้อนพวกนั้นเนี่ยจะเดือดร้อนคนรวยนี่ยจะเดือดร้อนบ้านเราก็เช่นเดียวกั น, นก็เลยนันน่ยพวกที่อยู่สลัมก็ให้ได้อยู่สลัมแต่ไม่ให้ก้าวไายกันในสลัมมันมีทั้งยาเสพติดมีอะไรตัวอะไรมันเต็มไปหมดทีนี้คนที่มีอันจะกินก็อยู่ที่หนึ่ง เนี่ยก็จัดสรรไปโดยอัตโนมัติก็จัดสรรอย่างนั้นแต่ว่าในอินเดียคือไอ้พวกนี้ว่าก่อนหลวงพ่อไปที่ครั้งแรกแรกก็ไปที่ต้นไทรที่เ จ, จ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านไปนั่งจานอาหารของนางสุจาดาที่ตรงนั้นถ้าไปเที่ยวหลังๆเพราะ ญี่ปุ่นก็ไปทำสะพานข้ามแม่น้ำในรัญจราไม่มีน้ำหรอกมีแต่ทรายญี่ปุ่นก็ไปทำสะพานให้แถวเชิงสะพานจนไปถึงต้นซอยเต็มหมดพลิบเดียวเต็มหมดแล้วพวกบ้านพวกร้านค้าพวกอะไรมีทุกอย่างให้ทำไมญี่ปุ่น ไปทําสะพานให้เขาจะได้ขายรถได้เห็นไหมทีนี้ทําความเจริญให้เขาด้วยเขาก็ชอบเนี่ยแต่ว่าขายรถญี่ปุ่นแต่รถญี่ปุ่นขายได้กี่คันไม่รู้ไม่ได้ต า, ต, า, ต, าต้าตาต้าดังนั้นไม่ได้ตาต้าเยี่อวาตาไงเยี่ยวตาต า, น, ต า, ต า, ตานี่เจ้าของมีเงินไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านแล้ว บ้านช่องคนใช้มีตั้งสี่ห้าร้อยคนเนี่ยและไอ้เจ้าของตีเดียวมีห้าคนวันหนึ่งจะออกไปไหนเนี่ยไม่รู้จะต้องเลือกรถก่อนว่าจะเอารถขันไหนไปนี่นายตุลที่ไปซื้อรถไอ้บริษัทตาต้านั้น รลองคิดดูอ่ะมันรุวยขนาดนี้ น, นันก็ไม่ได้แจกจ่ายอะไรคนใช้หนี่งไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยพวกคนใช้คนใช้คนใช้จะไปไหนสักทีก็ลำบากเหมือนกับโดนขังอย่างนั้นแต่ว่าดีที่ว่าเขาไม่ก้าวกายเต่อกันเลยกันอย่างในพุทธประวัตินะว่าเมื่อนัก บ, บวชจิตธัตถะเป็นลมล้มพับลงไป นอนปรงาบปงาบประงาบแต่เขาก็บูชานักบวชน่ะแหละพวกเนี้นักบวชก <c oughs> ็เลยนั่นให้เด็กเลี้ยงวัวนะไปเอาแม่วัวมาเอามาก็ให้ครองเลยตอนที่มาเห็นนะเดี๋ยวนี่นักบวชนักบวชไปถูกต้องไม่ได้ถูกต้องนักบวชไม่ได้บาปบาปบาปไปยกไปอะไรไม่ได้ ก็ไปเอาแม่วแม่แพะนั่นมาคร้องครับแล้วก็รีดนมใส่ใส่ปากนักบบทติดตัถ า, านั่นนี่ยแล้วเขาจะไม่ก้าวไกลเลยทีนี่เดี๋ยวนี้ก็ถ้าไกลไปที่นอะไรไม่รู้ตรงนั้นนาลันทานใกล้ๆนารันทานก็จะไปอาบน้ําอาบน้ําตกกันคนชั้นดี อาบชั้นโส ง, งน้ําสะอาดตอนนั้นก็คือพวกกษัตริย์แล้วก็พราหมณ์แล้วก็แพทย์พวกสเปชสปะพวกสูตรอาบน้ําสุดท้ายเลยดําปิดปีแล้วไปอาบน้ําอาบน้ําล้างบาปกันเนี่ไประเพณีที่เขาถือกันมาอย่างนั้นแต่ว่าการปกครองมันก็ไม่ก้าวไกลากัน ก็ไม่ให้ก้าวไก่กั น, นกระจัดพรามแพร่ถูดไอ้ถ้าเราไปอินเดียเราพูดไม่ได้ในภาษาอินเดียนี่เราจะข้าวไปที่ตรงนั้นถามเขาว่าข้าวไปได้ไหมตรงนี้เขาก็จันติจาร์จันติจาร์คือตกลงแต่ถ้าเราเนี่ว่าจันติจาร์คือไม่ให้ข้าวห้ามข้าวเนี่ยมันคนละภาษาเป็นอย่างนั้นเงินมา ดันั้นในอินเดียนี่มันหลากหลายหลากหลายมากแต่พระสงองค์เลนที่เป็นเรียนมาลนะ่ะก็เาเรียนมาแล้วก็ศึกศึกแล้วก็ทำอาชีพกันไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าไปเรียนในประเทศอินเดียที่บาลานซีที่ไหนก็ตามกลับมาเราไปให้หลากหลาย คอหลากหลายหลายที่หลายจำนักก็ได้อะไรมาเยอะในประเทศอินเดียเนาะนี่ทีนี้เราจะเห็นว่าอันนี้เรื่องเหมือนเราอยู่ที่ตรงนี้แหละก็เหมือนอินเดียนั่นแหละไอคนที่มันลำบากยากเข็นมันคอยที่จะเบียดเบียนเราแต่ว่าในอินเดียก็จะไม่เบียดเบียนงันคอยที่จะเบียดเบียนเราอะไรเรา กันแกล้งเราอะไรอย่างนั้นน่ยทีนี้เราอย่าไปจาความรู้จักกับมันง่ายอีกอย่างหนึ่งนางพิกทูนีรูปหนึ่งท้ามัยพระพุทธเจ้าสวยมากสวยมากทีนี้ไอ้พวกวัยรุ่นไอ้พวกขี้ยานั่นโอ้โหสวยจริงสวยจริงสวยจริงมันก็ไปอย่างนั้นทุกวันทุกวัน นางภิกุณีก็เลยถามมาฉันสวยที่ตรงไหนโอ้ตาสวยนางพิกุณีรูปนั้นก็เลยควักลูกตาห้วิ่งหนีเลยดีวิ่งหนีเลยนั่นนั่นะวิ่งหนีเลยสวยที่แก้มสวยที่ตรงไหนไปเอามือ่อไปเอาเมียมามาเชิญฉันจะเชิญแก้มให้สวยที่คิ้วอ๋อฉันจะลอกหนังคิ้วให้นี่ ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นใจเด็กต้องใจเด็กนี่การสวยที่ผมตัดผมให้เลยแต่ผมไม่มีแล้ว น, นักพิทูนีเราต้องโกนหัวให้เราต้องแก้ปัญหาในปัจจุบันให้ได้แก้ให้ได้ปัญญาไม่ใช่ไว้แกงกินปัญญาไว้แก้ปัญหาแล้วปัญญามาจากไหนเร้าต้องปฏิบัติธรรมนี่แหละอาริยมรรคนี่แหละ เราอย่ามองข้ามอริยมรักถ้าปฏิบัติตามอริยมรักแล้วก็ปัญญาจะเกิดในทันทีทันใดเลยมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาได้นี่เราอยู่ที่ตรงนี้ถ้าคิดได้ดีเราก็อยู่ในวงล้อมอยู่ในวงล้อมคือคนที่เขาไม่สนใจธรรมะ เขาเขไม่ยุ่งกับเราหรอกเขไม่ยุ่งแต่ถ้ายุ่งก็จะมารังแกอะไรอย่างเนี้ยมารังแกแล้วก็ว่าไปตามบทบาทเพราะอย่างนั้นทีนี้เราเนี่ยจะโดนแกล้งโดนแกล้งโดนแกล้งเราก็แก้ปัญหาไปแก้ปัญหาไปแก้ปัญหาไปแต่ว่าไอการโดนแกล้งนี่ก็รู้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งรู้ รู้มานานแล้วใครได้โดนแกล้งก็คือคนดีมันยากจนนั่นแหละมันจะมาโดนแกล้งเรามีอุบาติกาคนหนึ่งมาจากรงกรามาจากรงกราก็มาอยู่หลายปีอยู่ที่อุบาติกาเนี่ยปลูกบ้านปลูกช่องเองอะไรเองเนี่ยบ้านพักปลูกเองพอเสร็จแล้วแถวนี้แหละ อย่างนี้ก็ยังอยู่เตะตัวสนิทเตะ ต, ตัวสนิทแล้วก็ขึ้นมาวันนี้บ่อยบ่อยบ่อยบอยเหมือนกับรงให้อาหารลิงอย่างนั้นจึงว่าไม่ไม่กลัวให้อาหารลิงแต่ให้ก็ให้ไกลไกลทีนี้มามาถึงเมีมก็จ่อเลาะจ่ะอเลาะจ่ะอเลอะจ่อเลาะจ่อเลาะก็สามีมันก็อ ไม่มีอาชีพอะไรขี่รถเครื่องรับจ้างอ้วเมีย ม, มันเกายืมเงินยืมทองอะไรต่ออะไรว่ากันไปทีนี้มันก็มายุแย่ว่าโอ้อย่างนี้สร้างรถทุกทุกดีกว่าวเวลาจะไปไหนจะได้สะดวกให้สามีมันขับจะได้สบายอ้าวแม่ทีคนนี้ก็เอาด้วยเอาด้วย เอาด้วยพอไ ป, ปไปมามาอ้าวเป็นยังไงไปไปมามาก็เงินมันก็ไม่หายรถตุกตุกม um ันก็เอาไปขายเอาไปขายแม่ชีคนนี้ก็ปัญญาอ่อนเงินทองอะไรก็ให้มันนี่พอเสร็จแล้วก็อยู่ไม่ได้หลวงพ่อเออแกก็เป็นอันไรเมอร์แล้ว พอกลับไปอยู่บ้านเนี่ยเพราะแกต้องมีเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนเป็นแกเป็นการาชการไอ้พวกนี้มันก็รู้หมดนี่นก็เลยอยู่ไม่ได้นี่แหละคนจนกับคนรวยเป็นอย่างนั้นคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างกับโยมชีแต่นั้นเราอย่าไปสงสิงอย่าไปสงสิงนี่ถ้าจะจ้างรถจ้างราอะไรควรที่จะมากล่าวมาบอกหลวงพ่อก่อน หลวพ่อจะได้รู้แต่อย่างนี้ฉะนั้นเมตตาเนี่ถ้าไม่มีปัญญาเมตตานั้นเดือดร้อนพระพุทธเจ้าจะต้องรู้พระปัญญาคุณปัญญาที่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ถ้าเอามาแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ปัญญานั้นนั่นคือพระปัญญาคุณปัญญาของพระองค์มีสัจจา มีสัจจาปัญญาที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ดับทุกขได้ด้วยบริสุทธิ์เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ให้ก็คือให้แล้วก็จบแต่ถ้าปัญญาที่ปผปมผสานกับความโง่เมตตาที่ผสมผสานกับความโง่เมตตานั้นจะทําลาย ปัญญาหมดเป็นเมตตางโงท่ทีนี้เมตตางโง่ฉะนั้นพระปัญญาคุณที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้บริสุทธิ์คุณพระองค์ไม่ได้หวังว่านี่จันดับบอกขนตาแห่งความดับทุกข์ให้คุณปฏิบัติแล้วคุณต้องเอาข้าวมาถวายเอาอะไรมาถวายไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ ปัญญานั้นปัญญากี่โกงเรียกว่าปัญญาปัญญาเจโกเรียกว่าปัญญาเจโกปัญญาเจโกที่บอกว่านโนู้นโยมทำงานอะไรมีนั้นมีนี่มีโ น, น้มีบริษัทมีบริวารมีอะไรเยอะแย ะ, ยะเต็มไปหมดแต่ว่ายังโง่เระโอ้นี่โยมธรรมามีหน้าที่ ในการที่จะเปิดประตูตสวรรค์ให้บนสวรรค์มีอาคารมีคอนโดมีนั่นมีนี่ตาวนั้นล้านตาวนี้ล้านโอ้ถ้าโยมทําบุญเท่านั้นโยมจะได้คอนโดชั้นสบายที่สุดเสร็จแล้วโยมก็เคลิมเลยพระก็มีปัญญาปัญญาเจโก้ฉะนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ทางนั้นเลยนี่ อาหารการกบฉันที่มาทุกๆวันนี่หลวงพ่อไม่ได้ไปร้องเรียนว่านี่เอาไปปฏิบัติแล้วต่อไปต้องเอาอาหารมาถวายหลวงพ่อนะเอาเงินทองมาถวายหลวงพ่อนะให้บริสุทธิ์เถอะโยหลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นแม้แต่เท่าปลายนิ้วก้อยไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่า เราปฏิบัติเพื่อให้ศาสนาของพระพุทธเจ้ายัางคงอยู่เพราะว่าคนที่มีความทุกข์นี่ยังมีมากมายเพราะฉนั้นเขามามาเพื่ออะไรไม่ใช่มาบูชาเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไม่ใช่เรามาบูชาพระพุทธเจ้าคือบุญคุณของพระพุทธเจ้าเหลือหลายเราบวดเข้ามาเป็นพระเป็นจี ไม่ต้องเอาอะไรมาก็ได้มีท้องเราก็คือบาดถ้าเราเจ้าขึ้นมาตื่นพอถือบาดเลย ก, ก็รู้แล้วว่าเราไปบินตบาดแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวใจโยงไปบินตาบาตกันสองสามวันจะได้รู้แต่ว่ามันมันมากแล้วตอนเนี้ยมันมากแล้วเพียงหาประสบการ์นั้นเอง ทีนี้เราคิดดูพระไตรปิฎโบราณว่พระเดินไปบินาบาตไม่ได้เดินประจําไปบ้านนี้บ้านโน้นบ้านนั้นไปหม่บ้านโน้อนอีกไปต่อต่อต่อต่อกัออนไปบาตรเป็นท้องบาตรนี่เป็นท้องเป็นกระพปงของเราบาตรทีทนี้นกมีปีกก็บินไปบินไปบินไปแะนั่นจีวรของเรานี้เป็นปีก เอกของเราพระทุดงพระทุดงนี่คือที่ไปทุดงทุดงบางทีก็แบกกรธแบกยา่ามแบกบาดแบกอะไรต่ออะไรสารพัดมันผิดแล้วแต่อย่างนั้หลวงพ่อไม่เห็นด้วยเลยเหมือนกับเดินหาเสียงอย่างนั้นมีแต่จัดจือโงเลยก็ฉันพระตุดงพระตุดงพระทุดง โฆษณาไปคนก็จัทตาอีกใครที่จัตตาไอคนโง่โง่นั่นแหละมันจัตตาก็เลยตวายกันใหญ่นี่หาเสียงรองพ่อเขาไปทุ่งงไปหนึ่งเดือนไปหนึ่งเดือนไปทุ่งตรงไปทุ่งตรงยังไงเอากระเป๋ารูปเล็กๆไปลูกหนึ่งใส่บาทใส่บาทก็ใส่จีวรใส่แปลงทุควันใส่ซาบู อ่อยอะไรไปเรียบร้อยอย่างนั้นแล้วไปเดินน่ะปวดเท้าทําไงเดี๋ยวนี้มันมีรถมีรามันสะดวกเย่ไปรถนั่นแหละไปเครื่องบินนั่นแหละเราจะไปไหนไปทีนี้เรากดตั้งตั้งกดเอาไว้ว่าต้องไปสํานักนั้นสํานักนั้นสํานักนั้นเทนี้ก็จะไป พอไปแล้วอสำนักนี้เป็นยังไงเราไปศึกษาดูจากนั้นสำนักนี้อยู่ทักสิบวันเราก็รู้แล้วสำนักนี้ทักเจ็ดวันสำนักนี้ก็คือตามเวลาที่เรากําหนดเอาไว้เราทุ้ดงโดยไม่ต้องให้ใครก็รู้ว่าเราทุ้ดงยีงนี้ทู้ดงกับวัดสิบสามสิบสามก็ทำที่วัดก็ได้เราทําที่ไหนก็ได้ เราไม่นอนเพราะไม่นอนก็อย่านอนดิตามตามจัดจะ่ะไม่นอนก็อย่านอนเพื่อที่จะทรมานแต่เราจะทําได้ไหมทัวดงกาวัดข้อที่สิบสามข้อจุดท้ายนะั่ะไม่นอนเจอพระจักขุบาลไม่นอนไม่นอนดีไม่นอนในพรรษาจะไม่นอนเลยกับพรรษาไม่นอนเลยนั่งประงกประงอกประงกอกอย่างนั้นนะ อมันง่วงเกินไปเดินมันเสียอาน้ำมันล้างหน้าลูบตาเสียออต่อมาปวดตาดิปวดตาก็เรียกหมอหมอประจำบ้านนั่นแหละหมอบอกว่าโอ้ไม่ได้แล้วท่านท่านต้องนอนหยอดฉันไม่นอนฉันติดฐานจิตไว้แล้วในพรรา น, นี้ฉันจะไม่นอ น, น หยอดตาหยอดตาหยอดตามันไม่หายดิถ้าไม่นอนหยอดมันจะเข้าในลูกตาได้ยังไงอนี่ยาทีนี้จนหมอบอกว่าแต่อย่างนั้นก็ผมไม่เอาแล้วไม่รักษาแล้วท่านไม่เชื่อผมทีนี้ท่านก็เออหมอก็สลาจริงแล้วสลาจิิงเนี่เราจะเอาอยัางไงนั่งปรึกษากัน ปรึกษากับใครปรึกษากับกรกรักษากยการรชกากายคือกายภายในอยของเราเนี่แหละเรามีที่ปรึกษานี่ทุกคนถ้ามีปัญญาแล้วเราก็มีที่ปรึก ษ, า, กษ า, าจะเอาอยัางไงเนี่ยจะเอาตาบอดหรือจะเอาตาดีตาตาภายอกดีตายในบอดเอาเอาตาหนดีกว่า ตาน้าตานอกบอดจ้างหัวมันนี่ก็เลยท่านก็ปวดตาปวดตาปวดตาปวดตานี่ท่านก็พยายามที่จะแยกนี่แยกมีสติเห็นเวทนาในเวทนาเพราะเวทนานี้ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาท่านก็ภาวนาภาวนาภาวนาตาไม่ใจ่กูตาไม่ใจ่กูต า, มต า, มตามไม่ใจ่กูตาไม่ใจ่กู พอนาไปพอนาไปพอนาไปพครั้งสุดท้ายตาก็ปะทุเลยเลือดน้ำเลือดน้ำหนองไหลท่านก็เป็นพระหลานเลยแจ้งภายในเก็จักกุงอุตปาธิยาณาอุตปาธิปัญญาวตปาทิวิจาาตปาทิว่างหมดทุกอย่างว่างหมดนั่นตาในของท่าน แต่นี้เรามีตานอกเห็นทุกอย่างเป็นของจริงหมดก็คือเราตาบอดนดั่นเองเห็นเป็นจริงหมดก็คือเราตาบอดถ้าเห็นว่าทุกอย่างไหลไปไหลไปเป็นอนิจจังกายยึดมัน่นถือมันไม่ได้เป็นทุกขังตัวทั้งหมดมันไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นอนัตตาว่างจากลัวตนนี่แห็นไหมนี่เกิด ถ้าเรามีทั้งตานนกทั้งตาหน่อยมันก็ดีแต่ถ้ามีแต่ตานนกมันโง่ไม่มีตาหน่อยแั่นั้นเราปฏิบัติให้เกิดตาหน่อยเกิดตาปัญญาพอเกิดตาปัญญาใาใจนนิจจังทุกขังอนัตตานั่นปีนี้พอถึงเวลาท่านก็จะไปอ่าน ถ้ไปไหนอ้อน้องชายของท่านอยู่ที่ไกลได้ยินข่าวว่าพระพี่ชายตาบอดแล้วตอนนี้ก็จมหลานชายให้มารับทีนี้กลางทางเพราะเดินเป็นทางเดินในป่าในดงนี้มันก็ไม่ปลอดโปรยอีกก็ให้หลานชายบวชเนรให้ลูกชายบวชเนรบวชเนรไปรับรับลุงมา รับหลวงเขาเขาก็ไปทีหนึ่งไปรับอพอไปถึงก็ให้ถือปลายไม้เท้าแนละ้วก็จะไปอยู่วัดใกลๆ้ๆฮะวัดใกล้ๆที่น้องชายอยู่ที่ที่ของมากลางทางมากลางทางก็ประชดมาอีกเดินเดินมาผู้หญิงสาวคนหนึ่งมาตักน้ําที่บอ่อใกล้ๆทางพอเห็นเนรรอครับ ชอบใจร้องเพลงเกี้ยวเนนแล้วก็เลยเรียกเนนไปพ่อลุงก็นั่งคอยคอยคอยคอยอรู้แล้วลุงก็รู้แล้วอันนี้อันนี้มันไม่ได้เป็นเนนแล้วแต่นี้พอเสร็จตัระของเนนในเรื่องกามของเกาะนั่นแหละก็มาถึงป้ายลุงจับไม้เท้า หลงลุงก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องอย่ามายุ่งฉันแต่ไม่ต้องมาจับเนื้อจับตัวไม่ต้องไม่ต้องหรอกฉันไปเองได้นี่เห็นไหมทั้งตาบอดนะไปเองได้มันก็ไปตามเรื่องของมันอย่างนี้พระเถระก็เลยเดินคลําทางไปเดินคลำทางเดินคลาทางร้อนถึงใครทีเนี้ถึงเทพเทพนี่นะเราอยาว่า อยากคิดว่าไม่มีเทพไม่มีปีไม่มีมมมนะ้อามีทางนั้นเขาก็เลยแปลงตัวเป็นคนเดินทางอ๋อพระเตระท่านจะไปไหนว่าจะไปที่เมืองโน้นอ๋อผมก็จะไปเมืองโน้นเหมือนกันอย่างนั้นไปพร้อมกันแกก็เลยจูงไปเห็นไม้มแกก็จูงไปจูงไปเพราะนี่พระอาหรย์แล้วเขาก็รู้แล้วจูงไปไปถึงก็ ไปที่เชตวันเดี๋ยนี้ข้าวัดไปที่เชตวันพอไปอยู่ที่นั้นก็ท่านก็เดินจงกรม เ, เดินจงกรมนี่นี่เห็นไหมไอ้วัดเรานี่นั่นคือใครจะเดินจงกรมตรงไหนก็ได้มีเชือกไว้ให้มีเชือกไว้ให้ เ, ใหเดินหลับตาทําเป็นคนตาบอดแต่ตามจริงจริงมันบอดจริงๆนั่นแหละ บอกจริงๆเนี่ยเพราะมันเห็นทุกอย่างมีมีมีมีทั้งนั้นมีในภาษาชาวบ้านแต่ว่าถ้าภาษาธรรมะมันว่างภาษาของพระอริยบุคคลมีแต่ว่ามันว่างว่างจากจิตนี่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่างจากจิตว่างจากจิตเองจิตว่างจากสิ่งที่อยู่ภายนอกเพราเลยไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นว่างนั่นคือตายหน่อย ตานอยเห็นแต่นี้ไอตานอกนะของเรานี่มันไม่เห็นอะไรมันตาบอดตานอกบอดเอ็นี่วันหนึ่งท่านพระจักรกูบาลนะท่านก็เดินจงกรมขึงเชื่อกตรงนี้ตรงโน้ น, นแล้วก็เดินเดินก่อเชือ่อบเดินก่อเชือ่อกกินี้พอดีในตอนเย็นฝนตกหนักไมแลงเมา่าก็ลงแล้วมาจับ ก, กลุ่มกันเป็นกองเป็นกอง ท่านก็เลยเยียบออกมาเล้งเมา้านั้นตายท่านไม่มีเจตนานี่เจ็ดแล้วอพอเช้าขึ้นมามีพระไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระจักรุบานจะเดินเหยียบเลียงเมา้าตายเป็นกองอย่างนี้มันเป็นนาบัตรอะไรพระเจ้าค่ะ้ออเธอไปเรียกมาเรียกพระจักรุบานไป ทีนีอ้าได้ยินข่าวว่าเธอไปเดินจงกรมคงจะเดินไต่เชือกนั่นแหละแล้วก็เหยียบมเลเร็งเม่าตายเป็นกองเธอก็จะต้องอาบัตแต่ว่าเมื่อมลรงเม้าตายเธอมีเจตนาที่ฆ่าเขาไหมฆ่าพระองค์ไม่ได้มีเจตนาพระเจ้ากาพาะกาพระองค์ตาบอด ก็เป็นอันน้อยยกยอดว่าอ้าวนี่แหละคือพระอาหารหันต์ให้รู้กันเอาไว้นั่นน่ยคือพระอาหารหันต์ท่านไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาทําไปโดยไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเขาที่จะอะไรเขาที่จะเบียดเบียนเขาอย่างนี้ถ้าไม่มีเจตนาแล้วก็ไม่ต้องอาบัตนท่านอยู่เหนืออาบัตแล้วกูยืเหนือเจตนาแล้ว อยเหนือเจตนานี่คือพระหลานที่่ว่าจักกุบาลพระหรหลานตาบอดทีนี้ที่เขาเล่ามาในบาลีว่าที่ได้ตาบอดอ่ะเพราะกรรมในชาติก่อนในชาติก่อนท่านเป็นหมอยาเป็นหมอยารักษาตาก็เที่ยวรักษาคนนั้นคนนี้คนโน้นก็ได้รางวัลได้รางวัลทีนึง ในรักษาคนนั้นเป็นไงดีขึ้นไหมไม่ดีเลยอ๋อหายายกระนานดีขึ้นไหมไม่ดีเลยหมอก็รู้แล้วว่าเห็นแล้วแต่ว่าอันนี้มันโกงมันโกงโอ้มอ น, นั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันโน้นก็ไม่ดีจนยาสุดท้ายก็ยังไม่ดีใส่ ย, ยาตาบอไดไรเลย ด, ดีเดียวจบเห็นไหมเพราะไอ้คนโน้นมันโกงไอ้หมอก็ที่จะแก้โกง ก็แต่ย้ายคนนั้นตาบอดไปเฉยเลยนี่เกิดมาชาตินี่ก็เลยมาเป็นพระอารหันตาบอดนี่กรรมกรรมกรรมที่ท่านทำมาท่นนั้นท่านก็เลยเป็นพระจักกุบาลคือพระอารหันตาบอดแต่ท่านก็จบแล้วท่านก็จบแล้วเพราะว่าจบกิจแห่งความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรต่ออะไรนี่เป็นธรรมชาติ ว่างกากตัวตนไปหมดแล้วก็ถึงตาบอดก็ตามบอดว่างบอดว่างคือตาภายในมันว่างแต่ตาภายนอกมันดีแต่นี้ตาภายนอกของทตานก็บอดตาภายในของของตางลืมขึ้นมาไม่ยึดมั่นถือมันอะไร น, นั้นพระลานตาบอดเนี่ยเาเล่าเรื่องพระลานตาบอดให้ขวงังเราจะปฏิบัติยังไงก็อยู่ที่เรา ดังนั้นทุกคนในขยันในการปฏิบัติทํางานทุกวันทํางานทั้งภายนอกทํางานทั้งภายในเพื mm ่อ hmm. การภาวนาทําด้วยสติปัญญาไม่ใช่จะไปสับกิ่งไม้จะไปตัดตไม้เล็กๆ เ, เอานิ้วก็ไปโรง้งอ้าวนี่แหละมันไม่ได้ต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องต้องมีทุกอย่างมิฉนจะไปตัดไม้เล็ ก, ลกๆก็ทำไม มันแหลมแหลมขึ้นมาเราต้องคิดนี่ที่วันที่พูดวันก่อนเราต้องคิดว่า น, นี่ถ้าใครไปเหยียบข้าวมันเป็นยังไงแต่เราเองไปเหยียบก้าวมันเป็นยังไงฉะนั้นต้องมีปัญญาดางนั้นน่ยทุกเรื่องต้องมีปัญญารอบคอบรอบแล้วก็ครอบรอบคอบทุกอย่างต้องรอบคอบแต่ไม่ใช่ละเอียดจนกระทั่งว่าอุ้ยผมไม่ตกสักเส้นโอ้เกินไปอีกอันนั้นอันนั้นมันเกินไปเลยเถิดไปอีก ต้องรอบคอบให้เราจะทำอะไรทำด้วยความรอบคอบทำด้วยความรอบคอบเราปฏิบัติก็ต้องรอบคอบมีเงินมีทองก็ต้องรอบคอบการใช้จ่ายก็ต้องรอบคอบการหาเงินก็ต้องรอบคอบรอบคอบนี่คือปัญญารอบคอบนี่ก็คือปัญญาต้องคิดให้กว้างให้ไกลนี่ต้องอาศัยความรอบครอบ ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามองค์อริยมรรคเวองแปดความรอบครอบจะมาจากไหนนี่จบเอาไว้เท่านี้วันนี้